ติกะสิบสาเจนจิวินเยยทุกะหนึ่งถึงเจ็ปฏิจจวาระเป็นต้นปัจยะจตุกระในสี่สิเอ็ดสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งจิตบางดวงรู้ได้อาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งจิตบางดวงรู้ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุตุปใจสภาวธรรมที่เป็นอัพญากริตซึ่งจิตบางดวงรู้ได้ อาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งจิตบางดวงรู้ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอพยกฤตซึ่งจิตบางดวงรู้ได้อาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งจิตบางดวงรู้ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุตุปปัตใจสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งจิตบางดวงรู้ได้อาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งจิตบางดวงรู้ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุตุปปัตใจมีสามวาระ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 และที่เป็นอัพยากฤตซึ่งจิตบางดวงรู้ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจใจสี่สิบสองสภาวธรรมที่เป็นคุศลซึ่งจิตบางดวงรู้ได้อาศัยสภาวธรรมที่เป็นคุศลซึ่งจิตบางดวงรู้ได้เกิดขึ้นเพราะอารมณปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอคุศลซึ่งจิตบางดวงรู้ได้อาศัยสภาวธรรมที่เป็นอคุศลซึ่งจิตบางดวงรู้ได้เกิดขึ้นเพราะอารมณปัจจัย สภาวธรรมที่เป็นอัพญากฤิซึ่งจิตบางดวงรู้ได้อาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิซึ่งจิตบางดวงรู้ได้เกิดขึ้นเพราะอารมณปัจจัยย่อ43เหตุ ป, ปัจจใจมี5วาระอารมณปัจจัยมี3วาระละถึงวิปากปัจจัยมี1วาระละถึงอวิคตะปัจจใจมี5วาระยอ่อ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 น่เหตุปัจจัยมีสองวาระนะอารมณะปัจจัยมีห้าวาระนะอธิปติปัจจัยมีก้าวาระละถึงโนวิคตะปัจจัยมีห้าวาระย่อสหชาตะวาระละถึงสัมยุญตะวาระเหมือนกับปฏิจาวาระเหตุปัจจัยสี่สิบหสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งจิต บ, บางดวงรู้ได้ เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งจิตบางดวงรู้ได้โดยเหตุตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งจิตบางดวงรู้ได้เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งจิตบางดวงรู้ได้โดยเหตุตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นอัพญากฤดซึ่งจิตบางดวงรู้ได้เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพญากฤดซึ่งจิตบางดวงรู้ได้โดยเหตุตุปัจจัย ยอ่อสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งจิตบางดวงรู้ได้เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งจิตบางดวงรู้ได้โดยอรมณ์ปัจจัย ย, อปปจจย่อสีเ จ, จ็เหตุปัจจัยมีเจดวาระอารมณปัจจัยมีเ้าวาระอธิปฏิปัจจัยมีสิบวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสิบสามวาระยอ่อพึงขายายให้พิจารณาเหมือนกับปัญหาวาระ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 สลลาติ ก, กะ14อัจฉริยะทุ ก, กะ 1-7 ปฏิจจวาระเป็นต้นปัจจยะจะตุกนาหิตุปัจจใจ1สภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นอาจฉระอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นอาจฉระเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยยอ่อเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระยอ่อ ชาหชาติวาระละถึงสัมพยุตต um ิวาระและปัญหาวาระทุกปัจจ um ัยม um ีปัจจัยละหนึ่งวาระ 2. สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอภิยากฤษซึ่งไม่เป็นอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย สภาวธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอัิญญากฤิตซึ่งไม่เป็นอาสวะอาศัยสภา ว, ภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งไม่เป็นอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่เป <gypt> ็นอกุศลซึ่งไม่เป็นอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตซึ่งไม่เป็นอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอภิญากฤตซึ่งไม่เป็นอาสวะ เกิดข <cek> ึ้นเพราะเหตุตุปปัตย์ใสภาวธรรมที่เป็นอภิญากฤิซึ่งไม่เป็นอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอภิญากฤิซึ่งไม่เป็นอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปปัตย์ใสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิซึ่งไม่เป็นอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลและที่เป็นอัพญากริซึ่งไม่เป็นอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปปัตย์ใจอะระมณปัจย์ใจสาม สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นอาสวะเกิดขึ้นเพราะอารมณปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งไม่เป็นอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งไม่เป็นอาสวะเกิดขึ้นเพราะอารมณปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัปยากฤตซึ่งไม่เป็นอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัปยากฤิตซึ่งไม่เป็นอาสวะเกิดขึ้นเพราะอารมณะปัจจัยย่อ สเหตุปัจจัยมีเ้าวาระอารมณปัจจัยมีสามวาระอธิปติปัจจัยมีเ้าวาระละถึงวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีเ้าวาระย่อณเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระณอารมณปัจจัยมีห้าวาระณอัธปติปัจจัยมีเก้าวาระละถึงโนวิคตะปัจจัยมีห้าวาระย่อ สหชาตวาระละถึงสัมยุญตวาระเหมือนกับปฏิ จ, er. จวาระเฮตุปัจจัยและอารมณปัจจัย 5. สภาวธรรมที่เป็นก ok ุศลซึ่งไม่เป็นอาสวะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นอาสวะโดยเฮตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งไม่เป็นอาสวะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งไม่เป็นอาสวะ โดยเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นอัพญากฤิซึ่งไม่เป็นอาสวะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพญากฤิซึ่งไม่เป็นอาสวะโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นอาสวะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นอาสวะโดยอรมณปัจจัยย่อ 6. เหตุปัจจัยมีเจดวาระอารมณ์ปัจจัยมีเก้าวาระ อธิปฏิปัจจัยมีสิบวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีส3าวาระยอ่อพึ่ขยายให้พิดารเหมือนปัญหาวาระในกุศลตะกกะ 1. กุศลตะกะ 15. สหาสาวะทุกกะหนึ่งถึงจปฏิจจวาระเป็นต้นปัจยะเจตุกนยัยเหตุปัจจัย 7. สภาวะธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นอารมณ์ของอาสวะ อาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นอารมณ์ของอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นอารมณ์ของอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นอารมณ์ของอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นอพยากฤตซึ่งเป็นอารมณ์ของอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งเป็นอารมณ์ของอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุตปปัจจัย สภาวธรรมที่เป็นอัพยกฤิซึ่งเป็นอารมณ์ของอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอัพยากฤิซึ่งเป็นอารมณ์ของอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิซึ่งเป็นอารมณ์ของอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลและที่เป็นอัภยากฤิซึ่งเป็นอารมณ์ของอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจจัยย่อ 8. เหตุุปัจจัยมีกลาวาะ อารมณปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมีเ้าวาระยอ่อนเหตุปัจจัยมีสองวาระณอารมณปัจจัยมีหวาระณอธิปติปัจจัยมี9้าวาระละถึงโนวิคตาปัจจัยมีห้าวาระยอ่อสหาชาตาวาระละถึงสัมยุญตาวาระเหมือนกับปฏิจจวาระ9้า สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่เป็นก nah ุศลซึ่งเป็นอารมณ์ของอาสวะโดยเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นอารมณ์ของอาสวะโดยเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นอภยกฤตซึ่งเป็นอารมณ์ของอาสวะ เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอพยากฤิตซึ่งเป็นอารมณ์ของอาสวะโดยเหตุปัจจัยยอ่อเหตุปัจจัยมีเจดวาระอารมณปัจจัยมี9้าวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีสิบาวาระยอ่อพึงขยายให้พิจารณาเหมือนปัญหาวาระในกุศลติกะอานาสวาบทีหนึ่งถึง7ปฏิจจวาระเป็นต้น ปัจยะจะตุกนยัยเหตุปัจใจสิบสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นอารมณ์ของอาจวะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นอารมณ์ของอาจวะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิต <mis> ซึ่งไม่เป็นอารมณ์ของอาจวะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตซึ่งไม่เป็นอารมณ์ของอาจวะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยยอ่อสิบอด เหตุปัจจัยมีสองวาระละถึงอาเจวะนะปปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงวิปากะปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสองวาระย่อสหชาตะวาระละถึงสัมปยุตตวาระเหมือนกับปฏิจจวาระเหตุปัจจัยและอารมณปัจจัยเป็นต้นสิบสอง สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิซึ่งไม่เป <passport. S 2> ็ esse. นอารมณ์ของอาสวะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิซึ่งไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิซึ่งไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิ ซึ่งไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะโดยอรมณะปัจใจสภาวธรรมที่เป็นอัภยากฤตซึ่งไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นปัจใจแก่สภาวธรรมที่เป็นขุสลซึ่งไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะโดยอรมณะปัจใจสภาวธรรมที่เป็นขุสลซึ่งไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นปัจใยแก่สภาวธรรมที่เป็นขุสลซึ่งไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะโดยธิปติปัจัย สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิต e <c ười> ซึ่งไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอภิยากฤิตซึ่งไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะโดยธิปฏิปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตซึ่งไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นขุศลซึ่งไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะโดยทิปฏิปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นขุศลซึ่งไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะ เป็นปัจจัยแข่สภาวธรรมที่เป็นอภิยากฤิตซึ่งไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะโดยอนัตตราปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นปัจจัยแข่สภาวธรรมที่เป็นอภิยากฤิตซึ่งไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะโดยอนัตตรปัจจัยย่อ 13. เหตุปัจจัยมีสองวาระอารมณปัจจัยมีสองวาระอาทิตติปัจจัยมีสาวาระ อนันตระปัจจัยมีสองวาระสมนันตระปัจจัยมีสองวาระสหชาติปัจจัยมีสองวาระอัญญมัญญปัจ huh. จัยมีสองวาระนิสยปัจจัยมีสองวาระอุปนิสยปัจจัยมีสี่วาระละถึงกรรมปัจจัยมีสามวาระวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมีสองวาระย่อ เพงขยายให้พิจารเหมือนปัญหาวาระในกุสลติกกะหนึ่งกุสลติก ะ, กะ16อารสวะสัมปยุตตทธุกะหนึ่งถึงเจปฏิจจวาระเป็นต้นปัจยะจตุกนัยเหตุ ป, ปัจจัยสิสสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งสัมปยุต ด, ด้วยอารสวะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งสัมปยุต ด, ด้วยอารสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุ ป, ปัจจัยย่อ เหตุป Ar ah ja ัจจ ja ัยมีหนึ่งวาระอารมณะปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมีหนึ่งวาระย่อสาชาตะวาระและถึงสัมปยุตตวาระและปัญหาวาระทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระสิบห้าสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งวิปยุจจากอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งวิปยุจจากอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งวิปยุจจากอาสวะอาศัยสภาวธรรมที so ่เป็นขุศลซึ่งวิปยุจจากอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปปัตใจสภาวธรรมที่เป็นขุศลและที่เป็นอัพยากฤิซึ่งวิปยุจจากอาสวะอาศัยสภาวธรรมซึ่งเป็นขุศลซึ่งวิปยุจจากอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปปัตใจสภาวธรรมที่เป็นอัพยกฤิซึ่งวิปยุจจากอาสวะ อาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งวิปยุจจากอาศะเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปปัจใจสภาวธรรมที่เป็นอพยกฤิซึ่งวิปยุจจากอาศะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลและที่เป็นอพยกฤิซึ่งวิปยุจจากอาศะ เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพญากฤิซึ่งวิปยุจฉาอจวะอาศอาัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลและที่เป็นอัพญากฤิซึ่งวิปยุจฉาอจวะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อ 16. เหตุปัจจัยมีเจวาระอารมณปัจจัยมีสองวาระอธิ ป, ธปติปัจจัยมีเจวาระละถึงวิปากะปัจจัยมีหนึ่งวาระ ละถึงอวิคตาปัจจัยมีเจ็ดวาระยอ่อสหชาตะวาระละถึงสัมปยุตตะวาระเหมือนกับปฏิจจวาระ 17. สภาวะธรรมที่เป็นกุศลซึ่งวิปยุจากอานสวะเป็นปัจจัยแก่สภาวะธรรมที่เป็นกุศลซึ่งวิปิยุจากอานสวะโดยเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งวิปยุจากอานสวะ เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งวิปยุจจากอสวะโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งวิปยุจจากอสวะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิซึ่งวิปยุจจากอสวะโดยเหตุปัจจัยย่อ 18. เหตุปัจจัยมีห้าวาระอารมณะปัจจัยมี9้าวาระอธิปติปัจจัยมีหวาระ อนันตระปัจจัยมีเจดวาระละถึงชหชาติปัจจัยมีเจดวาระอัญญามัญญปัจจัยมีสองวาระนิสยปัจจัยมีสิบวาระอุปานิสยปัจจัยมีเก้าวาระปุเรชาติปัจจัยมีสามวาระปัจฉาชาติปัจจัยมีสามวาระอเสวะณปัจจัยมีสามวาระกรรมปัจจัยมีสี่วาระวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระ อาหารปัจจัยมีสี่วาระอินทรีย์ปัจจัยมีสี่วาระชาณปัจจัยมีสี่วาระมรรคปัจจัยมีสี่วาระสัมปยุตตะปัจจัยมีสองวาระวิปยุตตะปัจจัยมีห้าวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสิบวาระย่อพึงขยายให้พิดารเหมือนปัญหาวาระในกุศลติกะ อุเตุกะ17อาจสวะสาสวาทุกะหนึ่งถึงเจปฏิจจวาระเป็นต้นปัจยะจะตุกนาหิตุปัจจัย19สภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นนาสวะและเป็นอารมณ์ของอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นอาสวะและเป็นอารมณ์ของอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยยอ่อเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระ อารามณ์ปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมีหนึ่งวาระย่อสหชาตาวาระละถึงสัมยุญตาวาระปัญหาวาระทุกปัจจัยมีปัจจใจละหนึ่งวาระ20สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นอารมณ์ของอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งเป็นอารมณ์ของอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะ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 เกิดขึ้นเพราะเหตุตุปปัตย์ใสภาวธรรมที่เป็นอัภยกฤตซึ่งเป็นอารมณ์ของอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอัภยากฤิตซึ่งเป็นอารมณ์ของอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปปัตย์ใสภาวธรรมที่เป็นอัพยกฤิตซึ่งเป็นอารมณ์ของอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลและที่เป็นอัภยากฤิตซึ่งเป็นอารมณ์ของอาสวะ แต่ไม่เป็นอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อ21เหตุปัจจัยมี9้าวาระอารมณปัจจัยมีสามวาระอธิปติปัจจัยมี9้าวาระละถึงวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตตปัจจัยมี9้าวาระยอ่อสหชาตาวาระละถึงสัมปยุตตาวาระเหมือนประปฏิจจวาระ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 สภาวธรรมที่เป็นอัภยากฤิซึ่งเป็นอารมณ์ของอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัภยากฤิซึ่งเป็นอารมณ์ของอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะโดยเหตุปัจจัยย่อยีสิสาเหตุปัจจัยมีเจดวาระอระมณะปัจจัยมีเก้าวาระอธิปติปัจจัยมีเ้าวาระและถึงอวิคตาปัจจัยมีสิบสามวาระยอ่อ พึงขยายให้พิศดารเหมือนกับปัญหาวาระในกุศลติกะ 1. กุศลติกะ 18. อาสะวะอาสะวะสัมปยุตตทธุกะ1นถึงเปฏิจจวาระเป็นต้นปัยจยะจตุกไนย 24. สภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นอาสะวะและสัมปยุตด้วยอาสะวะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นอาสะวะและสัมปยุตด้วยอาสะวะ เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยยอ่อเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอารมณปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงอวิคตาปัจจัยมีหนึ่งวาระยอ่อสหาชาตาวาระและถึงสัมปยุตตาวาระและปัญหาวาระทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระ 25. สภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งสัมปยุตด้วยอาสวะแต่ไม่เป็นอาสวะ อาศัยสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งสัมปยุทธ์ด้วยอาสะวะแต่ไม่เป็นอาสะวะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระอระมณะปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระยอ่อสหชาตวาระละถึงสัมป ย, ยุตธาวาระและปัญหาวาระทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระยี่สิห สภาวธรรมที apostle, Spain, ONEY, я, ่เป็นกุศลซึ่งวิปิยุจจากอาชวะแต่เป็นอารมณ์ของอาชวะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งวิปิยุจจากอาชวะแต่เป็นอารมณ์ของอาชวะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยมีสามวาระสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิซึ่งวิปิยุจจากอาชวะแต่เป็นอารมณ์ของอาชวะอาศัยสภาวะธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งวิปิยุจจากอาชวะแต่เป็นอารมณ์ของอาชวะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิซึ่งวิปยุจจากอาสวะแต่เป็นอาอรมณ์ของอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัภยกฤิซึ่งวิปยุจจากอาสวะแต่เป็นอารมณ์ของอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป <asi S 1> <AN> ็นอัพยกฤิซึ่งวิปยุจจากอาสวะแต่เป็นอารมณ์ของอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลและที่เป็นอัภยกฤิซึ่งวิปยุจจากอาสวะแต่เป็นอารมณ์ของอาสวะ เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งวิปิยุจากอาสวะแต่เป็นอารมณ์ของอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลและที่เป็นอภิยากฤิซึ่งวิปยุจากอาสวะแต่เป็นอารมณ์ของอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อ27เเหตุปัจจัยมีเจวาระอารมณปัจจัยมีสองวาระละถึงวิปากะปัจจัยมีหนึ่งวาระ และถึงอวิคตาปัจจัยมีเจวาระย่อสหชาตาวาระและถึงสัมยุญตวาระเหมือนกับปฏิจจวาระ 28. สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งวิปยุจากอาสวะแต่เป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งวิปยุจากอาสวะแต่เป็นอารมณ์ของอาสวะโดยเหตุปัจจัยมีสามวาระ สภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งวิปยุจจากอาสวะแต่เป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอภิยกฤิตซึ่งวิปยุจจากอาสวะแต่เป็นอารมณ์ของอาสวะโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตซึ่งวิปยุจจากอาสวะแต่เป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอภิยกฤิตซึ่งวิปยุจจากอาสวะแต่เป็นอารมณ์ของอาสวะโดยเหตุปัจจัยย่อ ยี่สิบเก้าเตุปัจจัยมีห้าวาระอารมณปัจจัยมีเก้าวาระอธิปติปัจจัยมีสี่วาระอันันตระปัจจัยมีเจดวาระและถึงสหชาติปัจจัยมีเจดวาระอัญญามัญญปัจจัยมีสองวาระนิสยปัจจัยมีส0บวาระอุปนิสยปัจจัยมีเก้าวาระปุริชาตปัจจัยมีสามวาระปัจชาชาตปัจจัยมีสามวาระ อาศัยวณปัปจัยมีสามวาระกรรมปัจจัยมีสี่วาระวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระอาหาระปัจจัยมีสี่วาระละถึงมรคตปัจจัยมีสี่วาระสัมปยุตตะปัจจัยมีสองวาระวิปยุตตปัจจัยมีห้าวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสิบวาระยอ่อพึ้นพยายให้พิดารเหมือนปัญหาวาระในกุศลติกะ หกุศลติกะ 19. อารสาววิปยุตตาสาสวะทุกะหนึ่งถึงเปฏิจจวาระเป็นต้นปัจยะจตุกรนัยเหตุปัจจัยมสสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งวิปยุจักอาสาวะและไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งวิปยุจักอาสาวะและไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย สภาวธรรมที่เป็นอภยากฤตซึ่งวิปียุจจากอาสวะและไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอภยากฤตซึ่งวิปียุจจากอาสวะและไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อสาเอเหตุปั e, ปจจัยมีสองวาระอารัมณปัจจัยมีสองวาระละถึงอาศัยวุณปัจจัยมีหนึ่งวาระละถึงวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระ และถึงอวิคตาปัจจัยมีสองวาระย่อสหชาตาวาระและถึงสัมปยุตตาวาระเหมือนกับปฏิจจวาระเทตุปัจจัยและอารมณปัจจัยเป็นต้นสาสองสภาวะธรรมที่เป็นขุศลซึ่งวิปยุจากอาสวะและไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นปัจจัยแห่สภาวะธรรมที่เป็นขุศลซึ่งวิปยุจากอาสวะและไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะ โดยเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพญากฤิซึ่งวิปิยุจากอาสวะและไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพญากฤิซึ่งวิปิยุจากอาสวะและไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะโดยเหตุตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพญากฤิซึ่งวิปิยุจากอาสวะและไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพญากฤิซึ่งวิปิยุจากอาสวะและไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะ โดยระมณ์ปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอพยกฤิซึ่งวิปยุจากอาสวะและไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งวิปยุจากอาสวะและไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะโดยระมณปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งวิปยุจากอาสวะและไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งวิปยุตจากอาสวะและไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะ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 และไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะโดยอธิปฏิปัจจัยสภาวะธรรมที่เป็นกุศลซึ่งวิปยุจากอ า, ส, า, วอากวว ส, สวะและไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิซึ่งวิปยุจากอาสวะและไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะโดยอนันตระปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิซึ่งวิปยุจากอาสวะและไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะเป็นปัจจัยแห่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิ เช่นวิปิวิจักอาสวะและไม่เป็นอารมณ์ของอาสวะโดยอนันตรปัจจัยย่อสาเหตุปัจจัยมีสองวาระอารมณปัจจัยมีสองวาระอธิปติปัจจัยมีสามวาระอนันตรัปปใจมีสองวาระสมนันตรัปปใจมีสองวาระสหชาตปปใจัยมีสองวาระอัญญมัญญปัจจัยมีสองวาระ นิสยปัจจัยมีสองวาระอุปาณิสยปัจจัยมีสวาระละถึงกัมมปัจจัยมีสาวาระวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระมหาราปัจจัยมีสองวาระละถึงสัมปยุตตปัจจัยมีสองวาระละถึงอวิยคตะปัจจัยมีสองวาระย่อพึงขยายให้พิจารเหมือนปัญหาวาระในกุศลตะกะ กุชลติกะและอายสวโคจกะจบหนึ่งกุศลติกะยี่สิบถึงห้าสิบสี่สัญญชนะทุกะเป็นต้นสามสิบสี่และถึง อาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นสังโยชน์อาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งเป็นคันถะเป็นโอคะเป็นโยคะเป็นนิวรณ์สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นปรามาตถอาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งไม่เป็นปรามาตเกิดขึ้นเพราะเหตุตุปัจเหมือนกับอาสวะโคชกะทิฏฐิอาศัยทิฏฐิเกิดขึ้นไม่ได้ปุสลตึกะและหักกะโคชกะจก หนึ <Andrew. S 2> <websites availability S 1> ่งูชละติกะห้าสิบห้าสารมณฑุกะหนึ่งถึงเจปฏิจจาวรรภเป็นต้นปัจยะจตุกนัยหนึ่งสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งรับรู้อารมณ์ได้อาศัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งรับรู้อารมณ์ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งรับรู้อารมณ์ได้อาศัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งรับรู้อารมณ์ได้ เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยสภาวะธรรมที่เป็นอัพยากฤิตซึ่งรับรู้อารมณ์ได้อ э hey าศัยสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตซึ่งรับรู้อารมณ์ได้เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยย่อ 2. เหตุปัจจัยมีสามวาระอารมณปัจจัยมีสามวาระและถึงวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระและถึงอวิคตาปัจจัยมีสามวาระย่อ สหชาตวาระและถึงสัมย <Sí. S 1> ุญตวาระเหมือนกับปฏิจจวาระเหตุปัจจัยและอารมณปัจจัยสสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งรับรู้อารมณ์ได้เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งรับรู้อารมณ์ได้โดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งรับรู้อารมณ์ได้เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอกุศลซึ่งรับรู้อารมณ์ได้โดยเหตุปัจจัย สภาวธรรมที่เป็นอภพยากฤิซึ่งรับรู้อารมณ์ได้เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอภิญากฤตซึ่งรับรู้อารมณ์ได้โดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งรับรู้อารมณ์ได้เป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นกุศลซึ่งรับรู้อารมณ์ได้โดยอารมณปัจจัยย่อ 4. เหตุปัจจัยมีสามวาระอารมณ์ปัจจัยมีเ้าวาระ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 สัมปยุตตปัจจัยมีสามวาระละถึงอวิคตะปัจจัยมีสามวาระ ย, ออย่อพึงขยายให้พิจารณาเหมือนปัญหาวาระในกุสลตึกกะเหตุปัจจัยและสหชาตะปัจจัยเป็นต้นหสภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤตซึ่งรับรู้อารมณ์ไม่ได้อาศัยสภาวธรรมที่เป็นอัภยากฤตซึ่งรับรู้อารมณ์ไม่ได้เกิดเพื่อเพราะเหตุปัจจัยยอ่อ เหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระและถึงอวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระย่อนเหตุปัจจัยมีหนึ่งวาระและถึงโนวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระย่อสหช า, าตะวาระและถึงสัมปยุตตะวาระเหมือนกับปฏิจจวาระ 6. สภาวธรรมที่เป็นอัพยากฤิตซึ่งรับรู้อารมณ์ไม่ได้เป็นปจัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอัพยากริต ซึ unity, th, ่งรับรู um, ้อารมณ์ไม่ได้โดยสหชาติปัจจัยเป็นปัจจัยโดยอัญญมัญญปัจจัยเป็นปัจจัยโดยนิสยาปัจจัยเป็นปัจจัยโดยอาหารปัจจัยเป็นปัจจัยโดยอินทรียปัจจัยเป็นปัจจัยโดยอัติปัจจัยเป็นปัจจัยโดยอวิคตาปัจจัยทุกปัจจัยมีปัจจัยละหนึ่งวาระย่อ